จเจออริญพรท่านผู้มีจิตเมตตาคบรบคัใจบุงใจกุศลทุกๆท่านวันนี้เป็นวันสุกรที่13 พ, พุทธสภาคมพุทธศักราช2 5 5 4เป็นวันหยุดราชการญาติโยมจึงมีเวลาว่าง จากภารกิจการงานจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาเสริมความงามให้แก่ให้แก่ตนเองการนวัดนี้ก็เป็นเหมือนกับการไปล้านเสริมสวยเพื่อไปเสริมความสวยงามของร่างกายแต่การมาวัดนี้ เรามาเสริมความสวยงามของจิตใจเพราะเรามีสองส่วนด้วยกันคือมีร่างกายและจิตความสวยงามที่แท้จริงและถาวรนั้นคือความสวยงามของใจความสวยงามของกายนี้เป็นความสวยงามที่ไม่ใช่ ไม่ไม่แท้จริงและไม่ถาวรเพราะร่างกายต้องเสริมไปกับการกับเวลาการเสริมสวยความงามของร่างกายก็ต้องคอยเสริมอยู่เรื่อยๆเช่นก่อนจะออกจากบ้านก็ต้องเสริมสวยด้วยการล้างหน้า ล้างตหาหวีผาหวีผมทาปากทาแป้งถึงจะสวยงามพร้อมกับการใส่เสื้อผ้านี่เป็นการนี่เป็นการเสริมสวยที่ต้องทำอยู่เรื่อยๆส่วนความสวยงามของใจนี้ถ้าได้ทำให้สวยแล้วก็จะสวยไปตลอดเวลา ดังนั้นเราจึงควรให้ความสนใจให้ความสําคัญต่อความเสริมสวยที่แท้จริงคือเสริมสวยที่ใจเพราะใจนี้เป็นตัวเราของเราอย่างแท้จริงส่วนร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้สักวันหนึ่งก็ต้องกลายเป็นซากศพไป แต่ใจของเรานี้ไม่มีวันตายถ้าทำให้สวยแล้วก็จะสวยไปตลอดเช่ในใจของพระพุทธเจ้าและพระอัลหันตสาวกทั้งหลายใจของท่านนั้นมีแต่ความสวยงามตลอดเวลาไม่มีวันเสื่อมคลายหลังจากที่ท่านจากเราไปแล้ว ถึง 2,500 กว่าปีความสวยงามของจิตใจท่านก็ <_ S 1> ยังประทับใจของพวกเรามาจนถึงวันนี้ <_ S 1> นะเพราะเป็นความสวยงามที่แท้จริงและถาวรผู้ใดได้ประสบกับความสวยงามแบบนี้แล้วจะอดที่จะประทับใจชื่นชมยินดีชอบ ใครไม่ได้ไม่เหมือนกับความสวยงามทางร่างกายแต่ไม่สวยงามทางใจเวลาเราพบคนที่รูปร่างหน้าตาดีสวยสสวยงามเราก็เกิดความชอบอกชอบใจขึ้นมาแต่พอเราได้สัมผัสกับใจที่ไม่สวยถึงแม ร่างกายจะสวยงามขนาดไหนก็ตามก็ไม่สามารถที่จะทําให้ใจของเรานั้นเสืมส่มศักเสื่อมศรัทธาไปได้เพราะว่าความสวยความไม่สวยงามของจิตใจนี้เป็นส่วนที่สําคัญกว่านั่นเองดังนั้นไม่ว่าจะเป็นความสวยงามหรือไม่สวยงามของใจ เราต้องให้ความสำคัญยิ่งกว่าความสวยงามหรือไม่สวยงามของร่างกายถึงแม่ร่างกายจะไม่สวยงามแต่ใจสวยงามก็เป็นที่ประทับใจเป็นที่ชื่นชมยินดีเป็นที่น่ารักน่าชอบของผู้อื่นเสมอศาสนาจึงสอนให้เราให้ความสำคัญต่อการ เสริมสวยทางด้านจิตใจเพราะว่าเป็นความสวยที่แท้จริงและจะชนะใจคนได้เสมอคนเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงแยกไว้เป็นสี่ประเภทด้วยกันเป็นเหมือนกับดอกไม้สี่ชนิดดอกไม้สี่ชนิดนี้มีอะไรบ้าง คือชนิดที่หนึ่งก็คือมีรูปสวยมีกลิ่นหอมนี่เป็นดอกไม้ชนิดที่หนึ่งดอกไม้ชนิดที่สองมีรูปสวยแต่กลิ่นไม่หอมชนิดที่สมก็มีรูป <S <s ไม่สวยแต่กลิ่นหอมและชนิดที่ส <S <s มีรูป <S <s ที่ไม่สวยและไม่มีกลิ่นหอม คนเราก็มีสี่ประเภทเช่นเดียวกันประเภทแรกก็คือมีสวยรูปกายที่สวยและมีใจที่สวยประเภทที่สองก็คือมีรูปกายสวยแต่ใจไม่สวยประเภทที่สามีรูปกายที่ไม่สวยแต่ใจสวยและประเภทที่สี่ มีรูปกายที่ไม่สวยและมีใจที่ไม่สวยทําไมถึงเป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะบุญกรรมที่ได้ทํามาในอดีตชาตินั่นเองทําให้มาเกิดได้รูปกายและใจที่สวยบ้างไม่สวยบ้างบุญกรรมนี่แหละ เป็นผู้ที่ทำให้เราได้รูปกายที่สวยงามและรูปกายรูปจและใจที่ที่สวยงามและไม่สวยงามถ้าเราทำบุญเราก็จะได้รูปรูปกายและใจที่สวยงามถ้าเราทำบาปเราก็จะได้รูปกายและใจที่ไม่สวยงาม เช่นการทำบุญให้ทานอย่างที่ญาติโยมมาทำกันไว้ในวันนี้จะทำให้เราไปเกิดในชาติหน้าได้รูปร่างหน้าตาที่สวยงามและมีจิตใจที่สวยงามแต่จะต้องทำอีกอย่างหนึ่งถึงจะได้ความสวยงามที่แท้จริงนอกจากการให้ทานแล้ว ก็คือต้องรักษาศีลด้วยศีนนี้เป็นเหมือนกับเครื่องสำอางของใจคนเราที่น่ารักน่าประทับใจก็ อ, อยู่ตรงที่มีศีล น, นี้เองมีความซื่อสัต์สุดจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่นถ้าเราทำทานอย่างเดียวเราไม่รักษาศีลเวลาเราตายไป เราไปเกิดเราจะต้องไปเกิดในอบายแต่เช่นไปเกิดเป็นเดราาัจฉานแต่อานิสงส์ของการให้ทานของเรานี้ก็จะช่วยให้เราได้ร่างกายของสัตว์ที่สวยงามเช่นเป็นสิเป็นสุนัขที่น่ารักแล้วก็จะได้รับการเลี้ยงดูจากคนที่มีสตาม ปเป็นสุนัขของเศรษฐีได้อยู่อย่างมีความล่ำเย็นเป็นสุขแต่ไม่ได้กลับแต่ไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าเราทำบุญให้ทานด้วยแล้วก็รักษาศีลด้วยเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามเป็นนายแบบเป็นนางแบบ เป็นดาราภาพยนตร์นี่เป็นเพราะได้ทำบุญให้ทานและรักษาศีลด้วยแต่ถ้ามาเกิดแล้วได้มีรูปร่างหน้าตาสวยงามแต่ไม่รักษาศีลต่อไปความสวยงามทางจิตใจก็จะเสื่อมลงไปได้จะทำให้กลายเป็นคนที่น่ารังเกียจ ไม่มีใครนับหน้าถือตาชื่นชมยินดีถ้าเราอยากจะให้ผู้อื่นนั้นนับถือเราคารพเราศรัทธาในตัวเราเชื่อถือและรักเราเราต้องรักษาสี่งร่างกายของเราที่ได้มาในชาตินี้เราอยากไปเสียเวลาไปเสริมสวย เลยไม่เกิดประโยชน์อะไรมากนักก็เสริมสวยตามธรรมชาติเช่นล้างหน้าล้างตาปะแป้งหวีผ้าหวีผมก็พอแล้วไม่ต้องไปเสริมจมูกไม่ต้องไปทำหนังตาไม่ต้องไปลึงหนังให้ให้มันแต่งตึงเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะประทับใจคน ประทับใจก็เฉพาะช่วงแรกๆที่ยังไม่รู้จักกันเวลาเห็นหน้ากันใหม่ๆแต่ถ้าพอรู้จักกันแล้วได้รู้จักนิ ส, สัยแล้วก็จะไม่เกิดความประทับใจถ้าเป็นนิ ส, สัยไม่ดีเช่นชอบโกหกหลอกลวงชอบลักทรัพย์ของผู้อื่นอย่างนี้จะไม่เป็นที่น่ารัก ชื่นชมยินดีของผู้อื่นอย่างนั้นขอให้เรามาเสริมสวยทางใจกันจะดีกว่าเรื่องร่างกายนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นผลของบาปบุญที่เราทำมาในชาติก่อนเรามาทำบุญมารักษาศีลเพื่อทำให้ร่างกายของเราในชาติหน้านี้ดีกว่าจะดีกว่า และในขณะเดียวกันก็ทำให้เราสวยในชาตินี้ด้วยสวยอย่างแท้จริงสวยด้วยสินสีลนี้ท่านว่าเป็นเหมือนกลิ่นหอมของดอกไม้แต่เป็นกลิ่นที่มีพลังมากกว่ากลิ่นของดอกไม้เพราะกลิ่นของดอกไม้นี้จะไปตามลมเท่านั้นถ้าอยู่เหนือลมก็จะไม่ได้ดมกลิ่นของดอกไม้ แต่ศีลนี้ไปทุกทิศทุกทางไม่ว่าจะเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกข้างบนหรือข้างล่างจะไปได้ทั่วไปหมดไปทั้งอดีตไปทั้งปัจจุบันและไปทั้งอนาคตเช่นความหอมของพระพุทธเจ้าที่พวกเรากราบไหว้บูชากันอยู่ทุกวันนี้ทั้งๆ ท, ที่เราไม่เคยเห็นหน้า <c oughs> เห็นตาของพระพุทธเจ้าเลยแต่ ความสวยงามของพระ อ, องค์นี้ถูกรับได้รับการถ่ายทอดมาเป็นยุคเป็นสมัยจนถึงพวกเราพวกเรานี้มีความรักมีความเคารพในพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่เลยเ <c oughs> พราะอำนาจของศีลของพระพุทธเจ้านั่นเองคำพูดของพระพุทธเจ้าทุกคาพูดนี้ เป็นความจริงทั้งนั้นไม่ได้พูดคำเทศเลยแนมะ้แต่คำเดียวจึงเป็นที่ประทับใจเป็นที่ชื่นชมยินดีศรัท ธ, ธาถ้าเราอยากจะให้ผู้อื่นเขารักเราชอบเราชื่นชมยินดีในตัวเราเราต้องทำตัวของเราให้สวยด้วยศีศลธรรม เราต้องพยายามรักษาศีลห้าให้ได้ตลอดเวลาคือเราต้องละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทรัพละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีละเว้นจากการพูดปดและละเว้นจากการเสพสุรายามาการกระทันทั้งห้าข้อนี้เป็นบาป ถ้าทำไปแล้วจะทำให้เราเป็นคนไม่สวยงามเป็นคนหน้ารังเกียจท่านจึงสอนให้เราพิจารณาถึงศีลธรรมว่าเป็นเหมือนเสื้อผ้าอาภรณ์คนที่ไม่มีศีลธรรมก็เหมือนกับคนไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์ไม่สวนใส่เวลาที่เราจะออกจากบ้านนี้ถ้าเราไม่มีเสื้อผ้าใส่ เราจะไม่กล้าออกจากบ้านเพราะเราจะอายชาวบ้านฉันใดท่านสอนว่าให้เรามีความอายเวลาที่เราทำบาปเพราะเราเป็นเหมือนกับคนที่ไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่นั่นเองถ้าเรามีความอายแล้วเราก็จะไม่กล้าทำบาป <c oughs> เราก็จะรักษาศีลได้ศีลห้าข้อนี้ไม่ยากเลยสำหรับการ ที่เราจะรักษาเพราะในขณะนี้เราก็มีศีลห้าข้ออยู่แล้วในตอนนี้เพราะตอนนี้เราก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราไม่ได้ลักทรัพย์เราไม่ได้ประพฤติผิดปรเวณีเราไม่ได้พูดปดเราไม่ได้เสพสุรายยาเมาเพราะตอนนี้ใจของเรามีความสงบนั่นเองความสงบของใจเรานี้เกิดจากอะไร แต่วันนี้ก็เกิดจากความตั้งใจที่จะมาทำบุญนั่นเองพอเราตั้งใจจะมาทาบุญใจของเราก็จะอยู่ในความสงบอยู่ในความสุขจะไม่คิดที่จะไปทำบาปทำกรรมแต่ถ้าใจเราคิดจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นไปเที่ยว ไปดื่มสุรายาเมา อ, อย่างนี้เราก็จะไม่สามารถรักษาศีลได้ถ้าเราคิดอยากจะไปดื่มสุรายาเมาหรือเราจะไปเที่ยวตามสถานที่บันเทิงต่างๆซึ่งอาจจะทำให้เราต้องไปประพฤติผิดประเวณีก็ได้อย่างนี้เป็นเพราะใจของเราความคิดของใจของเราว่า จะคิดไปในทางไหนถ้าคิดไปในทางไม่ดีก็จะไปพูดไม่ดีทําไม่ดีไปทําบาปทํากรรมขึ้นมาถ้าคิดไปในทางที่ดีก็จะไปพูดดีทดําดีก็จะไม่ได้ทําบาปทํากรรมอย่างวันนี้ญาติโยมคิดดีคิดทําบุญก็เลยมาวัดมาทําบุญให้ทาง มารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมใจก็สามารถที่จะรักษาศีลได้ใจก็มีเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยงามเป็นคนที่น่ารักน่าชื่นชมยินดีทั้งหมดนี้ก็เริ่มต้นจากความคิดของเราดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอน ให้เราคิดดีอยู่เรื่อยๆอย่าไปคิดไม่ดีการคิดดีก็มีอยู่3ลักษณะก็คือหนึ่งคิดที่จะทำบุญ 2. คิดที่จะไม่ทำบาป 3. คิดที่จะตัดความโลภความโกรธความหลงให้น้อยลงไปให้เบาบา ง, งไปให้คิดอย่างดี วันนี้ญาโยมคิดจะมาทำบุญก็ได้มาทำบุญอย่างที่ปรารถนาแล้วถ้าคิดจะไม่ทำบาปก็จะรักษาศีลห้าก็จะตั้งใจรักษาศีลห้าไว้เวลาจะไปทำบาปก็จะได้มีศีลมาคอยรลงับถ้าเราไม่สมาทานศีลห้าไม่ตั้งใจจะรักษาศีลห้า เวลาที่จะทําบาปเราก็จะทําทันทีเช่นเวลาที่จะพูดปดก็จะพูดทันทีแต่ถ้าเรารู้ว่าวันนี้เรากําลังรักษาศีลห้าอยู่พอเวลาจะต้องพูดปดก็จะหยุดก่อนจะคิดก่อนแล้วก็จะหาวิธีพูดโดยที่ไม่ต้องพูดปดถ้าพูดความจริงไม่ได้ ต้องพูดกดก็อย่าไปพูดอะไรเลยแต่ถ้าเราพูดก็ให้ไปพูดเรื่องอื่นแทนก็ได้เขาถามอะไรมาเราไม่จําเป็นจะต้องตอบเขาเสมอไปเราไม่อยากจะตอบเราก็บอกเขาไปตรงๆก็ได้ว่าไม่อยากจะตอบปัญหาวันนี้อย่างนี้เราก็ไม่ต้องพูดกดได้แต่การที่เราจะไม่พูดกด หรือไม่ทำบาปนี้เราต้องมีความตั้งใจก่อนเหมือนกับวันนี้เราตั้งใจมาทำบุญถ้าเราไม่ได้ตั้งใจมาทำบุญวันนี้เราอาจจะไม่ได้มาทำบุญก็ได้เพราะเวลาที่เราตื่นขึ้นมาเราอาจจะนึกถึงเรื่องอื่นได้อยากจะไปทำเรื่องอื่นแทนหรือมีเพื่อนมาโทรศัพท์มาชวนให้ไปทำธุระ หรือให้ไปเที่ยวถ้าเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาวัดในวันนี้เราก็จะไม่ได้มาเพราะจะถูกเพื่อนชวนไปแต่ถ้าเราได้ตั้งใจไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วว่าวันนี้จะมาวัดมาทาบุญมารักษาสิงพอมีใครมาชวนให้ไปไหนเราก็จะปฏิเสธเข้าไปได้เพราะเรามีความตั้งใจไว้แล้ว ว่าเราจะมาวัดมาทำบุญ ม, มารักษาศีลถ้าเราตั้งใจไว้แต่เราไม่มีความหนักแน่นไม่มีความจริงใจเราก็อาจจะเปลี่ยนใจได้เช่นมีคนมาชวนให้เราไปเที่ยวที่อื่นหรือไปทำอะไรที่เราชอบอยากจะไปทำเราก็อาจจะเปลี่ยนใจได้ดังนั้นการ ที่เราตั้งใจอย่างเดียวนี้จิงยังไม่มีกำลังมากพอนอกจากตั้งใจแล้วเรายังต้องมีความจริงใจมีความหนักแน่นต่อความตั้งใจของเราคือจะไม่ยอมเปลี่ยนใจโดยเด็ดขาด ย, ยกเว้นเป็นเหตุสุดวิสัยเช่นไม่สบายจนกระทั่งไม่สามารถลุกขึ้นมาจากเตียงได้หรือมีวั มีภัยพิบัติต่างๆไม่สามารถเดินทางมาวัดได้อย่างปลอดภัยเท่านั้นที่เราจะไม่ได้มาวัดดังนั้นเราต้องมีความตั้งใจที่แน่วแน่ที่จริงใจไม่ว่าจะทำบุญก็ดีจะรักษาศีลก็ดีหรือจะตัดความโลภความโกรธความหลงของเรา ให้น้อยลงไปก็ดีเราต้องมีความหนักแน่นเช่นันเช่นเดือนนี้เราตั้งใจว่าจะไม่ซื้อของคุ้มเฟยจะไม่ซื้อของไม่จำเป็นเช่นเสื้อผ้ารองเท้าหรือสิ่งใช้อะไรต่างๆที่ไม่จำเป็นที่เราไม่มีเราก็ไม่เดือดร้อนเราอยู่ได้อย่างนี้ พอเราออกไปเดินเที่ยวตามร้านตามห้างพอไปเห็นเสื้อผ้าเห็นรองเท้าก็เกิดความอยากได้ขึ้นมาแต่ถ้าเราได้ตั้งใจไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วว่าวันนี้หรือเดือนนี้จะไม่ซื้อของอะไรที่ฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็นถ้าเห็นรองเท้าเราก็พิจารณาดูว่าเรามีรองเท้าพอใสหรือไม่ถ้ามีพอใส่แล้วก็ไม่จำเป็น เราก็ไม่ต้องซื้อมันถึงแม้มันจะสวยอย่างไรก็ตามเรามีความตั้งใจและมีความหนักแน่นเราก็จะสามารถตัดความโลภภายในใจของเราให้น้อยลงไปได้แล้วเราจะมีความสุขความสบายใจมากขึ้นเพราะความโลกนี้เป็นเหตุที่ทำให้เราไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจ เวลาอยากจะได้อะไรแล้วใจมันจะกะวนกระวายกระสับกระส่ายจนกว่าจะได้สิ่งที่ตนเองอยากได้มาแต่ความกวนกระวายกระสับกระสายนี้ก็ไม่หายไปอย่างถาวรหายไปชั่วคราวหลังจากนั้นอีกไม่นานพอเราออกไปเดินดูซื้อของตามร้านตามห้างเดี๋ยวไปเห็นของถูกอกถูกใจ ก็จะเกิดความโลภเกิดความอยากได้ขึ้นมามันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆทำให้เราต้องกลายเป็นทาบเป็นที่ข้าของความโลภต้องไปท ำ, ทำงานแทบเป็นทาบตายเพื่อไปซื้อของที่ไม่มีสาระไม่มีประโยชน์ให้กับตัวเราแต่ถ้าเราฝึกสอนใจของเราให้มีความตั้งใจ ในการตัดความโลภเราก็จะสามารถที่จะชนะความโลภได้จะทำให้ใจของเรานี้มีความสุขได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อของอะไรต่างๆมาบารุงบาเพอปัญหาของพวกเราคือเราไม่เห็นโทษของความโลภเราคิดว่าเวลาเราโลภแล้วอยากได้อะไรเราได้มาแล้วเราจะมีความสุข แต่เราลืมไปว่าเป็นความสุขที่ต้องเหนื่อยยากเป็นความสุขที่เราต้องไปลำบากลำบนเพราะเราต้องไปทำมาหากินดิ้นรนเพื่อที่จะได้เงินมาซื้อของต่างๆที่เราอยากได้แล้วเมื่อเราต้องดินน้นรนทำมาหากินหาเงิ น, ห า, น, ห, านหาทองเราก็จะรู้สึกว่าการรักษาสินีเป็นอุปสรรคเพราะบางครั้งเราขายของ หรือทำการค้าเราก็ต้องพูดความจริงไม่ได้เราต้องพูดปดหรือบางทีเราก็ต้องค้ากำไรเกิดควรเพราะเราอยากจะได้เงินมากๆมาซื้อของต่างๆมาบำมน์บำเลกิเลสคือความโลภของเราซึ่งไม่ได้เป็นการมาบำมนงจิตใจของเราให้สวยขึ้นให้ดีขึ้นเลยแต่กับเป็นการทำให้จิตใจของเรา เสื่อมลงและเร็วลงไปเพราะใจของเราจะสวยจะดีขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับการทำบุญให้ทานกับการรักษาศีลต่างหากไม่ได้เกิดจากการได้รั์ได้ข้าของต่างๆมาตามความอยากของเรายิ่งอยากได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกรักษาศีลได้ยากขึ้นและทำบุญได้ยาก เพราะอยากจะเก็บเงินเอาไว้ไปซื้อของต่างๆที่ตนเองอยากได้ก <_ an> ็จะเสียดายเงินทองจะไม่อยากทำบุญอยากจะเก็บเงินไว้ไปซื้อของต่างๆหรือไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแต่ถ้าเรามีความตั้งใจไว้ล่วงหน้าว่าจะไม่ซื้อของที่ไม่จำเป็นเราก็จะสามารถตัดรายจ่ายต่างๆ ลงไปได้มากทําให้เราไม่ต้องดิ้นรนกับการหาเงินแบบไม่มีศีลไม่มีธรรมเราสามารถที่จะหาเงินแบบมีศีลมีธรรมได้คือเราจะไม่ต้องโกหกเราไม่ต้องค้ากําไรเกินควรเพราะเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินทองมากนั่นเองและเราก็จะมีใจที่จะทําบุญ เพราะเรามีเงินเหลือพอที่จะไปทำบุญได้เราไม่ต้องเก็บเงินนี้ไว้ไปเที่ยวไม่ต้องเก็บเงินนี้ไว้ไปซื้อข้าวของต่างๆมาเราก็จะทำให้ใจของเรานี้สวยงามขึ้นมาเพราะเราจะมีความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เรามีเงินมีทองมีข้าวมีของเราก็ยินดีที่จะแบ่งให้ผู้อืน่น เพราะเรามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นนั่นเองเรามีความเมตตาเรามีความสงสารมีความกรุณาเพราะเวลาเราเห็นผู้อื่นเขาตกทุกข์ได้ยากเราก็อยากที่จะช่วยเหลือเขาและเราก็จะช่วยเหลือเขาได้เพราะเรามีเงินพอที่จะช่วยเขานั่นเอง เพราะเราไม่ต้องเอาเงินไปใช้กับสิ่งที่ไม่จําเป็นต่างๆนั่นเองนี่คือวิธีการที่จะเสริมความสวยงามของเราทั้งในชาตินี้และในชาติต่อไปด้วยการมีความตั้งใจที่จะคิดดีพูดดีทดําดีมีความตั้งใจที่จะละ การคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีและมีความตั้งใจที่จะละความโลภความโกรธความหลงให้น้อยลงไปเรื่อยๆการกระทำทั้งสมส่วนนี้เป็นการเสริมสร้างความสวยงามให้แก่ชีวิตจิตใจของเราทั้งในชาตินี้และชาติต่อไปชาตินี้เราก็จะสวยที่ใจ ถ้าใจถ้าร่างกายเราไม่สวยอย่างน้อยเราก็จะสวยที่ใจที่เป็นความสวยที่แท้จริงและเป็นความสวยที่สาคัญอย่างยิ่งถ้าเราสวยกายแต่ใจเราไม่สวยเราจะไม่มีใครเขารักเราชื่นชมยินดีในตัวเราแต่ถ้าเราถ้าแต่ถ้ากายของเราไม่สวยแต่ใจของเราสวย เราก็ยังจะเป็นที่รักที่ชื่นชมยินดีของผู้อื่นอยแล้วเวลาเราตายไปเราก็จะได้กลับมาเกิดเป็นคนใหม่เป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาที่จะสวยงามกว่าเดิมมีจิตใจที่สวยงามกว่าเดิมจะเป็นคนที่มีคนรักเรามากกว่าเดิมนั่นเองทั้งหมดนี้อยู่ที่การกระทำของเรา ไม่มีใครสามารถที่จะมาทำให้เราสวยหรือไม่สวยได้มีการกระทาของเราเท่านั้นที่จะทำให้เราสวยหรือไม่สวยถ้าเราทำบุญไม่ทำบาปเรามีความโลภความโกรธความหลงน้อยลงไปหรือไม่มีเลยเราจะมีความสวยงามมากทั้งร่างกายและจิตใจ ถ้าเราไม่สามารถที่จะทำบุญได้ไม่สามารถละบาปได้ไม่สามารถละความโลภความโกรธความหลงของเราให้เบาบางลงไปหรือหมดไปได้เราก็จะได้กลับมาเกิดแบบที่ไม่น่าดูหน้าตาไม่สวยงามจิตใจก็ไม่สวยงาม เหมือนกับคนบางคนที่เราเคยเห็นในสังคมนี้นั่นก็เป็นเพราะเขาไม่สนใจต่อาการทำบุญละบาปและละความโลภความโกรธความหลงนั่นเองไม่ได้อยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่การกระทำของเราดังนั้นขอให้พวกเราจรงมีความเชื่อมั่น ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องของการทำความดีการไม่ทำบาปและการละความโลภความโกรธความลให้น้อยลงไปและให้หมดไปดีเป็นเหตุที่จะทำให้เราได้พบกับความสวยงามด้านทางกายและทางใจได้พบกับความสุขและความเจริญ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 ทั้งทางกายและทางใจโดยทั่วหน้ากันเธอ